ท่านมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงแก้ไขเคลียรเรื่องนี้แต่เพราะท่านไม่เคลียร์ปัญหาอันนี้เข้าทําให้พระมีธรรมเนี่ยต้องหนีไปต้องเสียพระที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบอันศาสนาก็เท่ากับว่าคือท่านมีส่วนทําลายด้วยอ่ะเพราะ<ม>จากการที่ท่านไปถืออคติไม่วินิจฉัยสิ่งที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินที่ควรตัดสินยกฟ้องเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่รับฟ้องไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ย ท่านก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในการทําลายศาสนาด้วยเพราะอาศัยกินสวยที่เข้ามามาเลี้ยงดีอ่ะเพราะฉะนั้นพอตอนหลังก็ท่านนี่ก็ศึกษาพระธรรมอยู่แล้วอ่ะท่านก็มาคิดถึงว่าอะไรคือสาระจริงๆเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านพลาดพอรู้ว่าพลาดไปปุ๊บเนี่ยก็ทําใจไม่ได้ะน ะ, <Okay. S 1> ะคล้ายๆกับว่าส่วนหนึ่งมันทําใจไม่ได้นะเพราะว่าศาสนาเนี่ยไปฝากฝังไว้กับท่านเพราะท่านเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะคอยดูแล มนทนของผู้ศาสนาสมัยก่อนแทบไปอยู่ในมือของท่านสององค์นั้นนะ่ะมันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆท่านเป็นผู้วินิจฉัยทีนี้ท่านเป็นคนที่ปล่อยปลาละเลยไปก็ต้องเดือดร้อนใจว่าโอ้โหได้ทำกรรมหนักแต่ก็เกิดเป็นเรียกว่าก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ประเภทภูมิมะเทวดาเป็นบริวารของเท้าเวสวร์เป็นในเสนาบดียักษ์ยี่สิบแปดท่านขนาดยังไม่ตัดสินปัญหานะ ยังต้องตกต่ำขนาดนี้นะครับถ้าบิดเบือนคําสอนของพุทธเจา้าก็โทษกระโคงจันจหนักนกาซะกันเจนพานพระ อ, องค์บอกว่าผู้ที่บิดเบือนก็มีโทษเหมือนกับเขาไปโยนทิ้งไว้ในนรกอย่างนั้นแหละพระ อ, องค์ก็กล่าวไว้ว่าผู้ที่กล่าวในสิ่งที่พระ อ, องค์ไม่ได้กล่าวบัญญัติสิ่งที่พระ อ, องค์ไม่ได้บัญญัติพวกกล่าวลักษณะนี้ก็เหมือนกับไปโยนไว้ในนรกของเราก็พยายามศึกษาเพื่อที่จะ เราก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าเราศึกษาผู้ศาสนาเพื่ออะไรจะต้องไม่ลืมประเด็นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราศึกษาพระธรรมคาสอนเพื่ออะไรเรามาสแสวงหาบุญหรือมาหาบาปจากศาสนาถ้าหากว่าเรามาสแสวงหาบาปบาปมันทํำไม่ยากนะใช่ไหมช่วยกันทําลายคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็หมดเองใช่ไหมถามว่าใครหมดเรานั่นแหละหมดจากปริยัติศาสนาหมดจาก ปฏิบัติศาสนาแล้วก็หมดจากปฏิเวศศาสนาเพราะเรานั่นแหละเพราะผู้ศาสนายังไงไม่มีใครทำลายได้อยู่แล้วผู้ที่เขาได้เข้าถึงแล้วเขาก็เข้าถึงไปเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ทำลายเนี่ยทำลายใครก็ทำลายตัวเองเพอทำลายตัวเองปั๊บนี่ยเขาบอกคนชั่วแม้แต่เพียงคนเดียวหัวงนกันสามารถทำให้คนอื่นชั่วได้อีกเป็นพันเพราะฉะนั้นความชั่วหรืออาัตรูรที่เลวยิ่งกว่าอาศัต ร, รษทั้งหลาย มีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ชักชวนให้คนอื่นผิดผิดผิ ด, ผดไปเรื่อยๆมันก็มีโทษแต่ที่นี้ว่าทําไมคุณยังเดินตกเหวอผมตาบอดครับถ้าหากว่าทุกคนเขามีปัญญาเหมือนกับพศารีบุตรเขาก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกที่จริงคนที่เขาทําชั่วหรือว่าบิดเบือนคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเขาก็บาปในตัวของเขาเราควรที่จะตั้งกรุณาจิตเอาไว้ว่าโอหเขาทําลายขนาดนี้เขาจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็เหมือนเขาโกรธ ด, ดวงอาทิตย์แล้วก็ ไปทะลึงตาใสาดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าอะไรเกิดขึ้นดูว่าตอนนี้เขาเก่งแต่บาปอากุศลที่เขาทําไว้เนี่ยถามว่าบาปมีผลไหมมีถ้ามีเราไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปขอแบ่งบาปเข้ามันอีกที่นเนี่ยต้องห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราจะได้ร่วมฟังธรรมกันเนาะซึ่งพระธรรมที่เอามากล่าวในวันอาทิตย์ก็ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนหนึ่งเราก็เอาเป็นพระธรรมเกี่ยวกับประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าในช่วงชีวิตต่างๆเอามากล่าวให้เราทั้งหลายได้ศึกษากันในการเจริญบุญเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไปว่าผู้ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจธรรม คนเหล่านั้นต้องเป็นคนที่อบรมสั่งสมบุญที่ค่อนข้างยาวนานก็เหมือนกับเราทั้งหลายมานั่งฟังธรรมกันอยู่นี่อุปนิสัยที่จะนั่งฟังกันอย่างนี้ถามว่าเพิ่งสะสมมา น, นี้ใช่ไหมหลายคนบอกไม่ใช่สะสมมานานแล้วมีใจฝักฝ่ายด้านนี้มาหลายปีแล้วจึงได้ฟังธรรมจึงสามารถที่จะนั่งฟังนานได้ขนาดนี้ ผู้ที่สะสมบารมีแล้วสา ม, มารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมก็เหมือนกันเขาใช้เวลาสะสมอบรมมาค่อนข้างยาวนานบางท่านก็หล่ๆกับพอเราถ้ามีโอกาสสะสมอบรมเจริญกุศลธรรมอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเจริญไม่เลิกราสักวันหนึ่งเราคงได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยเป็นแน่ ดการตั้งความปรารถนาในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราต้องตั้งเอาไว้ให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจจะทำวันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก็เป้าหมายไหมเหมือนกับเราจะไปเรียนหนังสือเราต้องเรียนเพื่อจบกระบวนวิชาที่ตั้งเอาไว้วันหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็ยังไม่จบแต่ถ้าไม่เลิกราสักวันหนึ่ง กระบวนวชานั้นเราต้องเรียนจบได้ฉันได้พระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันพระธรรมคาสอนทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคประชมุมประมวลลงที่อริยสัจทั้งหมดทีนี้วันนี้เรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ศึกษาเพื่อเป็นแบบเป็นแผนเป็นแนวทางเพื่อรู้อริยสัจ ต, ต่อไปวันนี้ก็ขอยกข้อความในคำพี สุตังตปิดกพุทธกานิ ก, า ย, า, กายชาดกอุทัยชาดกอุทยะแปลว่าอุไทยแปลว่าการเกิดขึ้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็มีเรื่องว่าคือภิกษุรูปหนึ่งต้องการศึกพอบวชเข้ามาหลายๆปีเข้า <c oughs> เกิดความกระสันอยากจะศึกหาลาเพศอยากเป็นคาราวาสถ้าเป็นพวกเรานี่จะไปบอกท่านว่ายังไงยอม บอกเอ้ยอย่าเพิ่งศึกเลยเราออกพรรษาก่อนเถอะอย่างนี้เหละพระศาสดาก็ถามพิสุนั้นว่าดูก่อนพิกษุจริงหรือที่เธอว่าเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าอยากศึกแล้วอ่ะพิสุก็กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเหตุไรเล่าเธอบรรพชาในพระศาสนาอันเป็นที่นําสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานี้ยังเป็นผู้เบื่อหน่าย ด้วยอำนาจกิเลสโอ้มีโอกาสได้มาบวชได้มาศึกษาได้ปฏิบัติในพระาศาสนาที่ล้ำเลิศประเสริฐมากมายขนาดนี้ไปปล่อยใจให้ไร้ไปกับอำนาจกิเลสได้อย่างไรแม้แต่บัณฑิตในปางก่อนเสวยราชสมงบัตนะสรโรธนานครมีบริเวณได้สิบสองโยต์อันมั่งคั่งถึงจะอยู่ร่วมห้องกับหญิงผู้เทียบเท่ากับนางเทพอับซรตลอดเจ็ดร้อยปี ก็ยังไม่ได้ทำลายอินทรีย์แลดูด้วยความโลภเลยแล้วพระองค์ก็ส่งนาำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังคือพระองค์ก็กล่าวว่าเออเนาะไม่ควรนะที่เธอจะมาปล่อยให้บาปอกุศลมาไหลท่วมทับอยู่อย่างนี้โบราณแต่ปางก่อนถึงเป็นพระราชาปกครองบ้านปกครองเมืองเขายังไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกระบาปกั บ, บ, กบอกุศลเลยแล้วพระองค์ก็ยกเรื่องแต่ปางก่อนมาเล่าให้ฟังว่า ครั้งพระเจ้ากาสีเสวยราชสมบัติในสุรุนธนนครแคว้นกาสีพระองค์นี้ไม่เคยมีพระโอรสหรือพระธิดาเลยคือไม่มีลูกพระองค์ก็ตรัสกับพระเทวีหลายพระองค์ว่าพวกเธอจงพาการปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีเหล่านั้นก็รับพระดํารัสแล้วก็ได้ทรงกระทำเช่นนั้นต่างคนก็ต่างปรารถนาอยากได้ลูกกันครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจาก พรหมโลกถือปฏิสนธิในพระอุทรแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาลําดับนั้นพระประยุรญาตทรงขนานพระนามพระราชกุมารนั้นว่าอุทัยพัฒเพราะว่าทรงบังเกิดแล้วก็ทําให้ใจของมหาชนเนี่ยเจริญขึ้นพอราชกุมารนี้ประสูตเข้ามาประชาชนหรือว่ามูญาติทั้งหลายแหละพากันยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสมีจิตใจเจริญ ง, งอกงามก็เลยเชื่อว่าอุทัยพั์ อุทยัยนี่แปลว่าเกิดพัดแปลว่าเจริญก็เลยเชื่อว่าอุไทยพัฒนกุมารในเวลาที่พระราชกุมาร น, นี้ทรงย่างพระบาทได้คือเดินได้สัตว์ผู้อื่นก็จุติจากพรห ม, มโลกก็มีพรหมอีกท่านหนึ่งจุติมาก็มาบังเกิดเป็นกุมาริกาชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่ชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้ต้องเป็นผู้ชายเสมอไป อย่างนางที่เป็นภรรยาของท่านปิพุริมานกก็มาจากพรหมโลกเหมือนกันอันสัตว์ผู้เกิดมาจากพรหมโลกนั้นเป็นผู้หญิงก็มีสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกก็มาเกิดเป็นกุมาริกาในพระอุทรของพระเทวีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของพระราชานั่นแหละคือพระราชาก็มีมเหสีอีกมีมเหสีหลายองค์อ่ะนะมเหสี อ, องค์หนึ่งก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงชื่อว่าอุทายยพัทรา คือถ้าพัทรานี้บ่งถึงความเป็นผู้หญิงพระราชกคุมารก็ทรงจำเริญวัยจบการศึกษาศิละปะศาสตร์ทั้งหมดแต่ทรงเป็นพรหมจารีโดยกำเนิดเขาบอกว่าสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกมีใจไม่หมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นี้ไม่ทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมด้วยแม้แต่ความฝันเอใจผูกพันกับผู้หญิงเป็นยังไงนี่ไม่รู้จักเลยพระไทยของพระองค์ไม่ได้ผัพันในกิเลสทั้งหลาย พระราชาทรงประสงค์จะพิเศกราชโอรสโอ้ยลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะก็อยากให้มีครอบครัวก็จะได้ปกครองบ้านเมืองสักทีก็เลยส่งข่าวสารไปว่าพ่อลูกชายบัดนี้เป็นเวลาที่จะเสวยความสุขในราชาสมบัติแล้วลูกพ่อจะให้ราชาสมบัติทั้งหมดแก่ลูกเดี๋ยวจะให้เป็นพระราชานะพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลห้ามเสียว่า ข้าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการด้วยราชสมบัติเลยจิตของข้าพระองค์ไม่ได้พัวพันในกองกิเลสเลยเมื่อได้รับพระราชดำดัสเตือนบ่อยๆเข้าแต่งงานนะลูกได้อายุแล้วจะคลองบ้านเมืองแล้วทีนี้พ่อเนี่ยพูดอย่างนี้หลายๆครั้งเข้าไม่รู้จะจะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเทียงก็เทียงไม่ได้เพราะเป็นพระราชาจะไปเถียงพระราชาก็เถียงไม่ได้ก็เลยให้ช่างเนี่ยทํารูปสตรีสําเร็จด้วยทองคําชมพูลุ่อันเปล่งปลั่ง แล้วก็ส่งข่าวสารไปถวายแด่พระราชบิดาพระราชมารดาว่าถ้าข้าพระ อ, องค์ได้พบเห็นหญิงผู้งามเห็นป่านี้ก็จะขอรับรับมอบราชสมบัติถ้ามเหสีไม่ขนาดนี้ก็ไม่เอาบ้านเมืองไม่เอาทั้งนั้นแหละพระราชบิดาพระราชมารดาก็ให้อำมาตานั้นก็เอารูปทองคํานั้นไปตะเวนทั่วชมพูทวีปเมื่อไม่ได้หญิงงามเห็นป่านนั้นก็เลยตกแต่งนางอุทยพัทาราให้ประทับอยู่ในวังของ พระราชกุมารนั้นก็คือหาผู้หญิงที่งามขนาดนี้ไม่มีสักทีเอาน้องสาวไปก่็แล้วกันก็คือพระราชานี่มีมเหศรีหลายองค์ใช่ไหมแม่เหศรีองค์โตๆอ่ะก็มีลูกชายแม่เหสีองค์รองๆไปก็มีลูกสาวเออเอาสองคนนี่มาแต่งงานก็จบแค่นั้นแ่ะพระนางอุทัยพัทราเนี่ยเป็นทู่ที่งดงามข่มรูปทองคํานั้นเสียหมดสิ้น ครั้งนั้นพระราชบิดาพระราชมาดาก็อภิเษกพระโพธิสัตว์เจ้ากระทำน้องนางต่างแม่อุทยพัทธร า, ราชกุมารีให้เป็นอัครมเหสีทั้งทั้งที่สองพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นั้นไม่ปรารถนาเพราะว่ามาจากพรหมโลกทั้งคู่ก็ไม่อยากปรารถนาจะแต่งงานแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ประทับอยู่ด้วยกันอย่างอยูอย่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ด้วยการเหมือนพี่เหมือนน้อง กัพี่น้องจริงๆด้วยนะพ่อเดียวกันอ่ะแล้วมาจับให้มาแต่งงานด้วยกันก็อยู่ใจเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้การต่อมาพระราชบิดาพระราชมารดาล่วงลับไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยครอบครองราชสมบัติแม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกันก็ไม่ได้ทําลายอินทรียทอดพระเนตรกันด้วยอํานาจความโลภเลยจิตคิดเป็นอื่นในขณะที่มองเห็นกันเป็นไม่มี ก็แต่ว่าทรงกระทําข้อผูกพันกันไว้ว่าวงๆพี่น้องก็มานั่งคุยกันเออในระหว่างเราทั้งสองถ้าหากว่าผู้ใดสิ้นพระชนก่อนคือตายก่อนผู้นั้นน่ะต้องมาจากที่ที่เกิดแล้วมาบอกว่าฉันไปเกิดในสถานที่โน้นแล้วใครไปเกิดที่ไหนต้องกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะทํากติกาตกลงกันเอาไว้ทีนี้ต่อมาล่วงเจ็ดร้อยปีนับตั้งแต่วันอภิเษกมา สมัยนั้นนี่คนมีอายุโดยเฉลี่ยนหนึ่งมืนปีเพราะฉะนั้นครองราชสมบัติเป็นพระราชาอยู่ประมาณเจ็ดร้อยปีก็พระโพธิสัตว์ก็สวรรคตจุติผู้อื่นที่จะเป็นพระราชาก็ไม่มีพระนางอุทัยพัทราพระองค์เดียวนั้นก็ทรงสําเร็จราชการแทนมูอามา ร, ร่วมกันปกครองราชสมบัติฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นขณะที่ทรงจุติทรงถึงความเป็นเท้าสกะในดาวเด่นที่พก ตาจากพระราชาก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอินทร์ก็คือเท้าส ก, กัดนั่นแหละเพราะทรงมียศใหญ่และก็ไม่สามารถจะทรงอนุศน์ไม่สามารถจะระลึกได้ตลอดเจ็ดวันของดาวดินมัวแต่เป็นพระราชาเนี่ยเพลินอยู่เจ็ดวันเลยนึกไม่ออกเลยมาจากไหนเนี่ยครั้งนั้นล่วงไปเจ็ดร้อยปีมนุษย์โดยการนับปีมนุษย์คือถ้าหากว่านับปีของเทวดาก็ประมาณ วันเจ็ดวันเทวดาเจ็ดร้อยปีมนุษย์เท้าเธอก็ได้ระลึกว่าเราจะทดลองพระราชธิดาอุทัยพัทราด้วยซับแล้วก็เปล่งศีหานาศแสดงธรรมเรื่องข้อผูกพันแล้วจึงจะมาเดี๋ยวไปลองดูสิไปลองใจดูก่อนเพราะว่าได้เคยทำกติกาสัญญาไว้ว่าผู้ใดาตายไปอยู่อีกพบหนึ่งจะต้องกลับมาบอกกัน คล้ายๆกับเรามีญาติมีเพื่อนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศใช่ไหมเออได้งานได้การทำและเขียนจดหมายมาบอกกันบ้างเน้ออย่างเงี้ยเขาก็มีการติดต่อข่าวคราวมาหากันได้ยินว่าครั้งนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุได้หนึ่งหมื่นปีก็แสดงว่าในช่วงที่พระผู้มีพระภาค พ, พนาวักัสปะในยุค ข, ของาศาสนาพระผู้มีพระภาค พ, พนาวัคคสปะมนุษย์มีอายุประมาณ 2หมื่นปีก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณหมื่นปีในคืนวันหนึ่งพระราชธิดาองค์เดียวเท่านั้นแหละประทับนั่งมิได้ทรงไหวติงทรงนึกถึงศีลของพระองค์อยู่ในห้องอันทรงศริอันอลังกตณพื้นชั้นสุดแห่งปราสาทชั้นเจ็ดทีนี้เมื่อราชบุรุษปิดทวารแล้วก็วางพระองค์เรียบร้อยคือ ระธิดาเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็นไม้นะสามีตายไปก็ปกครองบ้านเมืองคนเดียวหวงนั้นเถอะแต่ก็พวกกิจการบ้านเมืองทั้งหมดพวกอัมมัดเขาก็จัดการดูแลทั้งหมดเป็นประมุขของชาติเฉยๆทีนี้วันเนี่ยก็ขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดเรียบร้อยแล้วพระอินท้าวสากะเทวราชก็ถือถาดทองคำหนึ่งใบบรรจุเหรียญมาสกทองคำจนเต็มถาดทองใส่ทองมาเต็มถาดเลย แล้วก็เข้าไปปรากฏกายในห้องบรรทมทีเดียวเลยนะเวบจากดาวดึงก็บอกว่าบุรุษที่คูแขนที่เหยียดหรือว่าเหยียดแขนที่คู้เข้าเนี่ยนะเร็วฉันใดผู้ที่จากสวรรค์ฉันดาวเดึงมาสู่มนุษย์โลกก็ใช้เวลาเท่านั้นแหละเสร็จแล้วพอมาถึงก็ปรากฏกายให้เห็นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสปราศัยกับพระนางอุทัยพัทธราว่าดูก่อนน้องนาะง ผู้มีพระกายอันงดงามหาที่ติไม่ได้มีช่วงภาพพ ร, พรากลมกลึงผึ่งผายทรงวัฏฐาร อ, อันงามสะอาดเสด็จสู่ปราศาสตประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวดูก่อนพระนางผู้มีพระเนตรอันงดงามดังดวงเนตรกินนอนหม่อมชั้นขอวิงวอนพระนางเจ้าเราทั้งสองควรอยู่ร่วมกันตลอดหนึ่งคืนมาถึงไม่พร่มเลยนะมาถึงก็แปล ว, ว่ามาขอแต่งงานด้วยคืนนึง พระธิดาพอได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระนคร น, นี้บ้านเมืองนี้มีคูรายรอบมีป้อมและสมประตูมั่นคงมีหมู่ทหารถือกระบี่รักษายากที่ใครๆจะเข้ามาได้ทหารนักรบหนุ่มก็ไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านปรารถนาจะพบข้าพเจ้าด้วยเหตุอะไรทหารเขาก็ห้อมล้อมดูแลรักษาอย่างดีเข้ามาได้อย่างไรแลวก็เข้ามาพวกเหตุอะไรพระ อ, อินทร์ก็ตอบว่า ดูก่อนพระนางผู้เลอชมม่อมชันเป็นเท พ, พบุตรมาในตำแหนักของพระนางดูก่อนพระนางผู้เจริญเชิญพระนางชื่นชมกับม่อมชันเถอะม่อมชันเนี่ยจัดถวายทองคําอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญทองคําแด่พระนางถ้าเราอยู่ร่วมกันหนึ่งคืนนะค่าแต่งก็ถาดทองหนึ่งใบแล้วก็เหรียญทองอีกหนึ่งถาดซึ่งอธิบายว่าดูก่อนพระนางผู้เลอชม คือจะพิชไปไหนกองงามเพราะหมอมชันเป็นเทพบุตรผู้หนึ่งมาถึงท่าตำหนักนี้ก็ด้วยเทวตานุภาพวันนี้ขอเชิญพระองค์ทรงชื่นชมยินดีกับหมอมชันเถอะหมอมชันจะถวายถาดทองคําอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญมาสกทองคําแกพระนางถ้าได้เหรียญทองอันนี้ไม่ต้องไปแข่งกีฬามาเลยนะได้เต็มถาดเลยอะ่ะถ้าแข่งกีฬาย่างมากได้สีห้าเหรียญนี่ก็เก่งเลยนะแต่ถ้างานนี้โอ้โหได้เหรียญทองเต็มไปหมดเลยพระราชธิดาฟังอย่างนั้นแล้วก็ ตอบว่านอกจากเจ้าชายอุทัยพัฒน์แล้วข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาเทวดายักษ์หรือมนุษย์ผู้อื่นเลยดูก่อนเทพผู้มีอนุภาพมากท่านจงไปเสียเถิดอยากกลับมาอีกเลยก็บอกว่านอกจากสามีคนที่จากไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ต้องการชายอื่นอีกเพราะฉะนั้นกลับไปสเสเถอะข้าพเจ้าไม่ต้องการบรรณัการที่ท่านเอามาให้รอก ท้าสักกะพอฟังท่าสุรศีหนาศของพนางแล้วทำท่าคล้ายจะไม่ไปทำเป็นอะไรอวอรทสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็หายวับไปที่นี้วันรุ่งขึ้นในเวลานั้นแหละตกตังคืนคืนที่สองก็มาใหม่อีกท้าเธอก็ถือถาดเงินเนี่ยเต็มเปียมด้วยเหรียญมาสกทองคำมาวันแรกถาดทองใส่เหรียญทองมาใช่ไหมวันนี้เอาถาดเงินแต่ก็ใสเหรียญทองมาลดถาดไปลดราคาไปเยอะเลย แล้วก็กล่าวคาถาว่าความยินดีอันใดเป็นที่สูงสุดของผู้บริโภคกรรมของศาสทั้งหลายปรับพฤติไม่สมควรเพราะเหตุแห่งความยินดีอันใดพระนางอย่าพลาดจากความยินดีในทางอันสะอาดของพระนางนี้เลยหม่อมฉันขอถวายถาดเงินอันเต็มไปด้วยพองแกนางครับว่าลดค่ามาเยอะเงันนะ พระราชาธิดาก็เลยคีดว่าเอ๊เทพบุตรนี้ได้สนธนาปราศัยกับเราบ่อยๆก็คงจะมาอีกเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกับเขาละพระนางก็ไม่พูดคำอะไรเลยพระ อ, อินทร์รู้ว่านางไม่พูดก็หายวับไปอีกตกวันรุ่งขึ้นวันที่สามมาใหม่อีกพอมาใหม่ก็เอาถาดโลหะแปลว่าเอาถาดเงินเนี่ยมาแล้วก็ใส่เหรียญเงินเนี่ยเข้ามาอีกลดวันแรกเหรียญทองใส่ถาดทองวันล้างเหรียญ เหรียญเงินใส่ถาดทองวันหลังมาอีกเหรียญเงินใส่ถาดเงินแล้วก็บอกว่าพนางผู้ทรงเจริญเชิญพนางโ ป, ปรดปลนเปลือมหม่อมชันด้วยความยินดีในการเถิดม่อมชันจะถวายถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญกระสั์แกพ่พระนางพระธิดาก็บอกว่าธรรมดาชายไม้จะให้หญิงเอออวยด้วยเอออวยด้วยรัพย์ย่อมประมูลราคาขึ้นจนให้ถึงความพอใจ ของท่านนี้ตรงกันข้ามท่านประมูลราคารดลงดังที่เห็นประจักษ์อยู่นี้วันแรกๆก็ค่าตัวนี่สูงเชะมาก็ลดไปเรื่อยๆหมายความว่ายังไงบุรุษผู้เจริญเนี่ยท่านช่งงางโง่ตามธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยปลงใจตกลงด้วยรั์เพราะเหตุแห่งความยินดีด้วยอำนาจกิเลสย่อมประมูลภรลนาชมเชยปลาเล้าปลมด้วยซั์ที่มากกว่าจนเป็นที่จุใจของนางแต่เทวดานี่แปลก คืนวันก่อนนำถาดทองเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สองนำถาดเงินเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สามเอาถาโลหะเต็มมาด้วยเหรียญกษะส่าสุดท้ายเนี่ยลดราคาไว้เหลือถาดเงินใส่เหรียญเงินมาท้าวสะกะเทวราชพอได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัส่าดูก่อนพระนางรา ช, ชกุมารีผู้ทรงพระเจเริญม่อมฉันเป็นพ่อค้าผู้ฉลาดย่อมไม่ยังประโยชน์ให้เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์พ่อค้าผู้ฉลาด เอาประมูลราคาเนี่มันก็ต้องประมูลตามความเป็นจริงใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเสียหายแน่ถ้าพระนางพึงจำเริญด้วยพระชนมายุหรือด้วยผิวพรรณใสหม่อมชันก็จะพึงนำบรรณาการมาเพิ่มแด่พระนางถ้า ง, งามขึ้นดีขึ้นก็จะเพิ่มราคาให้ขึ้นแต่พระนางมีแต่เสื่อมไปถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นหม่อมชันจึงลดทรัพย์จํานวนนี้ลงเมื่อวานเนี่ยสาวกว่าวันนี้เยอะวันนี้ก็แก่มาเรื่อยๆนะ แกกว่าวันก่อนก่อนนั้นค่าตัวมันก็ต้องลดเป็นธรรมดาแบบนั้นก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพระนางผู้มีวรกายอันงดงามอายุและผิวพรรณของมนุษย์ในมนุษยโลกนี้ย่อมเสื่อมลงไปด้วยเหตุนั้นแหละแม้ทรัพสําหรับพระนางก็จําต้องลดลงเพราะวันนี้พระนางเนี่ยชาราลงกว่าวันก่อนแก่แล้วราคาก็ลดไปเรื่อยนะดูก่อนพระราชบุตรีผู้ทรงพยศเมื่อหมอมฉันกําลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้ ผิวพรรณของพานางก็เสื่อมไปเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปดูก่อนพระราชบุตรีผู้มีปัญญาเพราะเหตุนั้นพานางพึงประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่ในวันนี้ทีเดียวจะได้มีผิวพรรณงดงามยิ่งขึ้นอธิบายว่าพระชนมายุของพานางที่เป็นไปในวันที่หม่อมชันมาครั้งแรกยังไม่ถึงอายุวันวานพระชนมายุที่เป็นไปวันวาน ที่มอมชั้นมาคราวแรกก็ดับไปแล้วในวันนั้นเหมือนถูกตัดด้วยจอบไอความงามวันก่อนเนี่ยหมดไปแล้วถึงพระชนวายุที่เป็นที่แล้วในวันวานเล่าก็ไม่ถึงวันนี้คงดับไปในวันวานนั่นแหละเหมือนตัดเสียด้วยจอบในวันวานทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้พระนางย่อมทรงฉลาดกว่าที่เห็นในวันวานเมื่อวานแรกมาก็สาว มาอีกก่อนลดไปครึ่งหนึ่งวันนี้ชาราไปเยอะแล้วะ่ะเท้าส ก, ก่าก็เลยกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพระนางผู้เจริญเพราะเหตุนั้นถ้าหากว่าพระนางพึงประพฤติจริยธรรมอันประเสริฐคือทรงถือบวชบำเพ็ญสมณธรรมด้วยวันนี้ทีเดียวคือในเมื่อสรีระมีวันะเพียงหลังทองยังไม่ถูกชาราปล้นไปเสียก่อนเมื่อพระนางบำเพ็ญ ร, รมประพฤติ ร, รมอย่างนี้ต่อไปนานๆเข้าก็จะมีผิวพรรณดีกว่านี้ พระราชชติดาก็กล่าวว่าเทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือไรเส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีหรือไรดูกรเทพบุตรข้าพระเจ้าขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไรถ้าเรามั่นใจว่าเรามีบุญพอเราก็ต้องไปดีอยู่แล้วเคยเจริญเทวานุสติไหมถ้าผู้ที่เจริญเทวานุสติบอกเทวดาเหล่าใดเข้าไปเกิดเป็นเทวดาด้วยศรัทธาแม้เราก็หนึ่งในผู้มีศรัทธา เท ว, วดาทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเราก็มีศีลเท ว, วดามีสุตะเราก็มีสุตะเท ว, วดามีจาคาเราก็ให้ทานอยู่ทุกวันเท ว, วดาทั้งหลายมีปัญญาเห็นเรื่องกรรมผลของกรรมเราก็มีปัญญาเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราก็เป็นเท ว, วดาแล้วก็มาฟังไว้ว่าเออเท ว, วดาเขาเป็นยังไงครับพระอินทรก็ตอบว่าเท ว, วดาทั้งหลายไม่แก่ชาราเหมือนมนุษย์เส้นเอ็นในร่างกายของเท ว, วดาเหล่านั้นไม่มีถิวพันธุ์อันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้น พุดผ่องยิ่งขึ้นทุกวนันทุกวันพวกคสมบัติก็ภัยบุญขึ้นซึ่งอธิบายว่าในหมู่มนุษย์พากันแก่ชราเสื่อมสุดสุดโซมไปด้วยรูปผิวพันธุ์โภคะก็เสื่อมไปด้วยแม้ด้วยปภาษาทะรูปมีจักขุภาสาท ะ, ปาป ะ, าทะเป็นต้นก็เสื่อมไปใช่ไหมตาก็เสื่อมทุกวนันทุกวันสมัยก่อนก็แว่นก็ไม่ได้หนาขนาดนี้หรอกแม้แต่ที่แรกก็ไม่ทันตัดแว่นนานๆเข้าก็ตัดหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปมามาสองชั้น ถ้ามีแว่นสามชั้นคงจะเอาแว่นสามชั้นบางคนมีแว่นอยู่สามอันสีอันอั้นสายตามันก็เสื่อมไปเรื่อยหูก็เหมือนกันนะนะบางคนนี่ก็ต้องมีหูฟังนะมีหูอันหนึ่งขึ้นมาอุดที่หูไว้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใครพูดอะไรก็ยื่นอันนั้นไปช่วยขยายเสียงให้หูนดังขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนเคยได้กลิ่นข้าวหอมมาะลินเนี่ยไกลๆยังหอมถึงเลยนะตอนนี้เอามาจอในจมูกก็ยังไม่ค่อยจะหอมเลยตอนหลังเนี่ยผิวพันธ์ทางตาทางลิ้นอาหารเคยอร่อยก็ไม่อร่อยแล้ว ภาษาทารุบเหล่านี้ก็เสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันเพราะว่าในตัวของถวยเทพเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นเทวดาไม่เสื่อมแบบนั้นหรอกในตัวของถวยเทพเหล่านั้นแม้แต่เส้นเอ็นก็ไม่มีเลยสรีระจึงมีวันนะ่ะเหมือนแท่งทองมีแต่เกลื่อนกล่าวถ่ายเดียวมีแต่งามขึ้นงามขึ้นทุกวันแท้จริงในหมู่มนุษย์ความเสื่อมถอยทางรูปเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้ว มนุษย์นะถ้าใครเกิดมานานนะถ้าดูเหี่ยวเฉามากขนาดไหนก็ยิ่งรู้ว่าเออคนนี้เกิดมานานแล้วแต่ว่าเทวดาไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนทวยเทพนั้นอะรูปสมบัติที่ยิ่งขึ้นบริวารสมบัติที่มากขึ้นเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้วถ้าหากว่าเทวดาตนไหนนะเกิดมานานจะหล่อขึ้นหลอขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นบริวารมากขึ้นทรัพย์มากขึ้นนั้นเป็นเทวดาแต่ถ้ามนุษย์นะเสื่อมลงเสื่อมลงแน่น่ะลักษณะของมนุษย์ อะไรที่มันตรงกันข้ามนั่นแหละของมนุษย์ในเทวโลกนั้นได้นามว่ามีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาด้วยเหตุชนีพนางนี้จึงยังไม่ถึงความชราทีเดียวจงเสด็จออกผนวดเสียเถิดครั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วอันมีแต่ความเสื่อมถอยเป็นสภาวะเช่นนี้แล้วจับไปสู่เทวโลกอันมีแต่สิ่งที่ไม่รู้จักเสื่อมถอยเป็นสภาวะเห็นปานชนีถ้าอยากได้ดีก็ จะเริยนกุศลเยอะๆนะจะได้ไปสู่เทวโลกมันไปแน่นะแต่กลัวไม่ได้ไปเทวโลกอะ่ะคือที่ที่เขาเตือนเนี่ยไม่ใช่เตือนว่าท่านจะไม่ตายนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยตายอยู่แล้วละเออตายแล้วไปไหนล่ะคะนี้มันคล้ายๆเราจะเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมมันจะไปไหนอะ่ะไปที่มันมีประโยชน์ไหมสมมติว่าเออเราจะจากเมืองเนี่ยจะออกไปนอกเมืองเชียงใหม่ละถามว่าจะไปเมืองไหนหรือจะไปอยู่ที่ป่าที่ดอยที่ดงอะ่ะ พ่านมันต้องไปอยู่แล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าเราสามารถมีบุญกุศลเราก็พอที่จะเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนที่ที่ไปแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขไปแล้วที่เจริญงอกงามด้วยอายุเป็นต้นพนาง น, นั้นได้ทรงสดับพระดาดับพลนาถึงเทวโลกเทวดาอย่างนี้แล้วก็ก็เลยถามทางไปเทวดาว่ามูชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปสู่เทวโลกกัน ก็หนทางไปยังเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านดูก่อนเทพรบุตผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอถามท่านบุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหนจึงจะไม่กลัวปรโลกเ อ, อเดินทางไหนนะจะได้ไม่ต้องกลัวพบหน้าใช่หส่วนใหญ่นี้คนเนี่ยจะกลัวมากก็คือกลัวตายสัตว์ทั้งหลายทั่วไปจะกลัวตายเหตุให้กลัวตายมีอยู่สี่อย่างด้วยกัน ก็เลยถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะปฏิบัติตัวยังไงอะ่ะไหนๆก็ตายแล้วก็จะได้ไม่กลัวตายเท้าสกาบก็เลยบอกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจเอาไว้โดยชอบเอาคำพูดนะก็คือรักษาคำพูด